ควายฉลาดกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีชาวนายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเอสกาดเขาอยู่ในบ้านเล็กบนพื้นที่เล็กๆ เ, เอสกาดมีควายอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเบลตี้มันไม่ใช่ชื่อปกติแต่มันได้ชื่อนี้มาแบบมีเหตุผลเอสกาดเป็นคนจนก่อนที่จะมาเจอกับวัวของเขา เบลตี้ทำงานหนักมากเพื่อมนุษย์ของเขาและมันเป็นควายเพียงตัวเดียวที่ไถนาทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะช่วยเอดกาดไม่นานเอดกาดก็สามารถปลูกธัญพืชต่างๆในทุ่งได้เอดกาดได้รับความเคารพและความมีน้ำใจจากเพื่อนบ้านและเขาได้ตั้งชื่อควายของเขาว่าเบลตี้ เบลตี้เป็นควายที่พิเศษมากมันฉลาดและมีชีวิตชีวามากเอ็การรู้ว่าเบาตี้เป็นสัตว์ที่รักอิสระมันจะออกไปเดินเล่นบ่อยๆและกลับมาบ้านตอนเย็นแม้ว่าไม่มีงานทำเวลาผ่านไปเอ็การซื้อควายอีกตัวหนึ่งมาเขารักเบาตี้มากแต่อย่างไรก็ตามงานมันหนักเยอะมาก และงามมันต้องแชร์เอ็ดกาดไม่อยากให้สัตว์ของเขาต้องเหนื่อยวันหนึ่งขณะไถนาอยู่ที่ทุง่งเบวตี้นั่งลงกลางทางและหายใจดังมากโอ้เบวตี้เอ็ดกาดพาวัวทั้งสองตัวของเขากลับบ้านคืนนั้น เอ็ดกาดนอนไม่หลับเขารู้ว่าถึงเวลาที่จะปล่อยเบลตี้ไปในวันรุ่งขึ้นเขาพาเบลตี้ไปในป่าแล้วเอากระดิ่งออกจากคอของเขาเบาวตี้สั่นหัวด้วยความดีใจเบลตี้นายเป็นควายที่ดีฉันคงไม่มีทางที่จะคืนสิ่งที่นายได้มอบกับฉันหมดนายไม่ต้องทำงานอีกแล้วนายเป็นอิสระแล้วฉันจะคิดถึงนายเพื้อน ออกไปสำรวจโลกซะงู <c oughs> นายอย่าทำให้ฉันต้องร้องไหน้นายากลับมาบ้านได้เสมอนายจำทางได้ไห ม, มบาเตียรู้สึกเสียใจยที่ต้องจากมนุษย์ของเขาไปแต่มันก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่ต้องเจอข้างหน้ามันเดินยังมีความสุขกับอากาศที่สดชื่นมันท่องเที่ยวไปในป่าอย่างไร้ความกลัว มันดื่มน้ำจากลําคลองและกินหญ้าตามทางไม่นานพระอาทิตย์ก็ตกลงและเริ่มมืดขึ้นเบาตี้มองหาที่พักผ่อนและในที่สุดมันก็เจอมีถ้มอยู่ข้างแม่น้ำมูลาลาที่นี่ใหญ่มากมันเหมาะมากสำหรับฉันที่จะอยู่ โอ้โอ้นี่ฉันเหนื่อยหรือว่าอะไรเนี่ยการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆจะทำให้ฉันผอมเหมือนหยีรา <h Ab account> บเบาตีเริ่มที่จะอยู่ในถ้ำเขาดื่มน้ำสะอาดจากสระและกินหญ้าแถวนั้นและเขาหลับอย่างสบายที่นั่น <h ums> เวลาผ่านไปเบาตีเริ่มที่จะรักชีวิตของเขาในป่าแต่มันเป็นควายที่ถูกเลี้ยงมา มันจึงไร้เดียงสาและใช้ชีวิตง่ายๆมันไม่ได้คิดว่าในป่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นและไม่ใช่สัตว์ทุกตัวที่จะเป็นเหมือนมันในขณะที่เบาตี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชีวิตใหม่แต่ก็มีบางอย่างที่จับตามองควายอยู่ทิมมี่หมาป่าในแต่ละวันที่เบาตี้ออกจากถ้าไปท่องเที่ยวทิมมี่จะย่องตามไปทุกที่ เบลตี้ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเนื่องจากกําลังมีความสุขกับกิจวัตรประจําวันของมันจนไม่รู้ว่าถูกตามอยู่อืม่มเจ้าควายตัวนี้กล้าหาญมากที่ท่องเที่ยวไปในป่า ด, ด้วยตัวของมันเองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกล้าหาญเกินไปหรือว่าโง่กันแน่ฉันหมายถึงมันรู้ไหมว่ากําลังอาศัยอยู่ในถิ่นของใครโอ้มาทํำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่า สวัสดีนายเพิ่งมาอยู่ที่นี่เหรอเออฉันมากินหญ้าที่นี่ทุกวันฉันไม่ได้เพิ่งมารอกโอ้ฮ่า <c> ๆ <oughs> นายเป็นสัตว์ตัวเล็กที่ฉลาดมากเลยฮ่ๆห <c oughs> มาป่าเรียกควายว่าตัวเล็กงั้นเหรอนั่นฉลาดมากกว่านี่นายล้อฉันเหรอ <c oughs> ฉันคือราชาของป่านั่นมันถ้ำฉันที่นายอาศัยอยู่ สัตว์ทุกตัวได้รับความเมตตาที่นี่ท่านนายอยากอยู่นายก็ต้องเคารพฉันนายพูดถูกว่าฉันเพิ่งมาใหม่แต่ฉันไม่ในโง่ที่จะเชื่อทุกอย่างที่นายพูดฟังนะเจ้ามมาป่าฉันรู้ว่านายไม่ใช่ราชาของป่านี้ที่จริงแล้วนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าป่านี้ใหญ่แค่ไหน ฉันจะแนะนำอะไรให้นายควรหยุดทำให้ฉันเสียเวลาทิมมิทโกรธมากมันสั่นไปทั้งตัวด้วยความโกรธมันสาบานว่าวันหนึ่งมันจะหาทางแก้แค้นเบาตี้รู้ตัวว่าต่อไปนี้มันจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์รู้ว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหนแสดงว่ามันจับตาดูฉันตลอดอืมฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนว่าแต่ ถ้ำนี้ต้องเป็นของใครสักคนแล้วฉันจะทํายังไงดีหากเจ้าของถ้ากลับมาฉันต้องระวังต้องระวังให้มากกว่านี้คืนนั้นพระจันทร์ส่องแสงสวยงามบนท้องฟ้าขณะที่เบลตี้นอนอยู่ในถ้ามันได้ยินเสียงบางอย่างมันแอบมองผ่านรูเล็กๆและเห็นเงาแปลกๆอยู่ข้างนอกในตอนแรกมันคิดว่าเจ้าหมาป่ากลับมารบกวนมันอีก แต่ขณะที่เงาเคลื่อนเข้ามาเบาตีสั่นด้วยความกลัวนั่นคือของถ้ำที่ถูกต้องเสือนั่นเองอไม่นะแน่นอนถ้ำนี้เป็นของเสือนั่นเองฉันจะทำยังไงดีเขาต้องกินฉันแน่นแน่เมื่อเสือเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นเบาตีก็ไม่สามารถหยุดสั่นได้ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นเราต้องคิดให้ดี อ๋อฉันมองเห็นเขาแต่เขาไม่สามารถมองเห็นฉันได้นั่นคือข้อได้เปรีบยบอยนั่นไงเขามาแล้วหนายเป็นอะไรเขาจะได้ยินเอานะอ้อใช่ขอโทษแต่ดูสิมันน่ากินขนาดไหนฉันไม่ได้บอกนายเหรอว่าสัตว์ที่อยู่ที่นี่เนี่ยตัวใหญ่พอให้เราสองคนอิ่มเลย โอ้ใช่นายพูดถูกเราได้อาหารข้ามมื้อนี้แล้วแน่นอนที่สุดมันกลับกลายเป็นเสือที่สั่นไปด้วยความกลัวอนี่มันสัตว์อะไรกันเขาหยุดทำไมมันนานเกินไปแล้วฉันหิวทำไมเราไม่ออกไปสู้กับเขาละ่ะเขาไม่สามารถสู้พวกเราสองคนได้หรอก อมันได้ผลเจ้าเสือได้ออกไปจากป่าอย่างไม่คิดชีวิตเบาตี้รอดมาได้มันรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญคือต้องใจเย็นในทุกสถานการณ์วันรุ่งขึ้นขณะที่ทิมมี่ปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยเปื่อยมันได้เดินไปชนกับเสือเ้าโอ้โ อ, โอ้นายทำให้ฉันกลัว กลัวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำให้นายกลัวแต่ว่านายเป็นเสือนะใช่ใช่ฉันรู้ฉันคือแมวตัวใหญ่ในป่าแต่นายจะโง่มาถ้านายคิดว่าไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าและน่ากลัวไปกว่าฉันที่นี่ฉันไปเจอกับสอดสองตัวที่น่ากลัวเมือ่อคืนมันอยู่ในถ้าฉันฉันต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรนะ สิ่งที่อยู่ในถ้ำนายตัวใหญ่กว่านายและน่ากลัวกว่านายงั้นเหรอนายร้อยชั้นเล็กหรือเปล่ามันก็แค่ควายตัวเดียวนายหมายความว่าอย่างไงมีสองตัวมันมีแค่ควายหนึ่งตัวอาศัยอยู่ในนั้นนายคิดว่าฉันโง่เหรอที่วิ่งหนีควายออกมามีสิ่งมีชีวิตสองตัวในนั้นอยู่ในนั้นเหรอใชย ฉันไม่แน่ใจหรอกว่ามันคือตัวอะไรฉันไม่ได้เข้าไปในถ้ำฉันแค่ได้ยินเสียงพวกมันจะเข้ามาทําร้ายฉันฉันก่เลยวิ่งหนีออกมาก่อนฮ่นายเป็นเสือที่น่าสงสารมันหลอกนายไม่มีสิ่งมีชีวิตสองตัวอยู่ที่นั่นมันก็แค่ควายหนึ่งตัวฉันจับตามองมันตั้งแต่มันเข้ามาอยู่ในป่าแล้วไปอยู่ในถ้านายแล้วหุูปากเจ้าหมาป่า กล้านียังไงมาต่อว่าฉันนายคิดว่าฉันโง่ที่คิดว่าสัตว์หน้ากลัวเป็นควายอย่างนั้นเหรอฉันจะพิสูจน์ให้นายดูนายไม่ใช่เหยือ่อมันสิคือเหยื่อของนายมาทมําบางอย่างกันดีกว่าฉันจะไปกับนายเราจะเข้าไปในถ้ำกันและฉันจะช่วยนายดูว่าใครอยู่ในถ้าฉันอยากจะแก้แค้นเจ้าควายอวดเก่งนั่น แต่ตอนที่กลับไปที่ถ้าฉันอยากให้นายสัญญากับฉันว่านายจะไม่ทำร้ายฉันอืมนายพูดจริงเหรอแต่เดี๋ยวก่อนถ้านายวิ่งหนีแล้วทิ้งฉันไว้คนเดียวหลหะออืมฉันรู้แล้วมาใช้เชือกผูกเราไว้ด้วยกันและเดินเข้าไปในถ้าแบบนั้นนายจะสามารถดึงฉันได้ ถ้าหากว่าฉันวิ่งหนีตกลงไหมเสือตกลงร่วมมือกับหมาป่าพวกเขามัดเชื่อเข้าด้วยกันและเดินเข้าไปในถ้รหมาป่ามีความสุขที่มันได้ทั้งสั่งสอนเบาตี้และได้รับความเชื่อใจจากเสือในขณะที่กำลังเข้ามาในถ้รเบาตี้เห็นว่าบางอย่าง ก, กำลังเข้ามาทันทีที่เห็นเจ้าหมาป่า เขาก็เข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นอืมเขาคิดว่าเขาฉลาดเอาละ่ะให้ฉันจัดการเรื่องนี้เข้าท้ำมาได้ก็ต่อเมื่อฉันบอกให้เข้ามาตกลงไหมเจ้าหมาป่าโงา่ฉันบอกให้แกเอาเสือมาสองตัวแต่แกแค่เอามาตัวเดียวเออะไรนะ เราไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อคืนและนายอยากให้พวกเราแบ่งเสือตัวเดียวกันเนี่ยนะเฮ้ยนี่นายทำงานให้พวกมันเหรอเออไม่ไม่ไ ม, ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อนายไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่เป็นไรเอาเสือเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่เออเจ้าเสือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตมันกลัวมาก จะไม่ได้สนใจว่าทิมมี่ยังถูกมัดไว้กับเชือกอีกด้านหนึ่งอยู่อ้อยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยฉันเจ็บนะฮ่าฮ่ฉันจะสั่งสอนหมาป่านั่นฉันได้เรียนรู้สิ่งสําคัญมากวันนี้หาฉันไม่ใจเย็นฉันจะไม่สามารถไล่สองตัวนั้นไปได้ไม่ว่าสถานการณ์จะยากแค่ไหนเราควรที่จะใจเย็นไว้ก่อนเบาตี้พูดถูก เพียงเพราะว่ามันใจเย็นในทุกสถานการณ์ที่ยากเย็นก็จะสามารถหาทางออกได้เสมอและหมาป่าก็อ้ยยอ้ยอ้อยอ้ยไม่อ้มันจะต้องได้รับบทเรียนของมัน